10บกำเนิดที่ต่างกันพระพุทธภาษิตคัพเมเกอุปปัชชันตินิระยังปาปรกรร ม, มิโนสักขังสุขติโนยันติปรินิพันติอนาสวาแปลว่าคนบางพวกเกิดในคันผู้ทำชั่วย่อมไปนรกคนทำดีไปสวรรค์ ส่วนผู้ไม่มีอาสะวะย่อมปรินิพานอธิบายผู้เกิดในคันนั้นเช่นมนุษย์และสัตว์บางจำพวกส่วนมากเป็นประเภทสัตว์สีเท้าเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้พึงทราบกำเนิดสี่อนกำเนิดสีหรือวงเล็บโยนิในบาลีมชัชฌิมนิกายมุลลัปนาตเล่มที่สิบสอง หน้า147ได้กล่าวถึงกำเนิด4ประเภทไว้ดังนี้ 1. ชลาผู้ชะเกิดในคันหรือจากคัน 2. อันทชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่สสังเสทะชะเกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครก 4. โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นประเภทที่หนึ่งได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขวัวและม้าเป็นต้น ประเภทที่สองได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่สได้แก่สัตว์ชั้นต่ำหรือพวกเยื่ซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นหนอนบางชนิดเกิดในเนื้อเน่าหรือของบูตรเสียวงเล็บแม้บางพวกจะมีไข่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามพวกที่เกิดในการแบ่งเซลล์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ อีกอย่างหนึ่งท่านว่าในพวกสัตว์ที่เกิดจากไข่ด้วยกันนั้นพวกเลือดแดงจัดเป็นอันทะชะส่วนพวกเลือดขาวจัดเป็นสังเสทชะประการที่สี่หมายถึงพวกกายทิพย์ต่างๆเส้นผีเปรตสัตว์นรกเทวดาเป็นต้น ไ, ได้เกิดจากท้องพ่อแม่หรือจากฟองไข่แต่เกิดขึ้นด้วยอำนาจกรรมพวกนี้จเจริญเติบโตทันทีไม่ต้องผ่านความเป็นเด็กอ่อนมา ก, ก่อน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 มโนโมโยมีอวัยวะแขนขาครบบริบูรณ์และมีอินทรีย์ต่างๆดีพร้อมสัตว์ผู้ถืออุป ป, ปาติกะกำเนิดนี้พึงเห็นสัตว์ ต, วต่อไปนี้คือ 1. อบาย4ี่ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน 2. สวรรค์6ชั้น 3. รูปพรม16ชั้น 4. อารูปพรม4ี่ชั้น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 นั้นเป็นไปนตามอำนาจแห่งกรรมของสัตว์นั้นๆไม่มีใครบังคับและไม่มีอำนาจใดบังคับได้นอกจากกรรมของตนเองบันดาลให้เป็นต้นกัมเนิดต่างๆเกิดขึ้นโดยอำนาจการจัดสรรแห่งกรรมคนทำชั่วมากย่อมถูกส่งไปนรกคนทำดีมากไปสวรรค์คนทำดีถึงที่สุดไม่มีความดีอะไรจะต้องทำอีกแล้วกตังกระนียังย่อมปริญญิพาน ส่วนคนที่ยังมีดีบ้างชั่วบ้างมาเกิดเป็นมนุษย์มีความดีไม่ถึงขั้นไปสวรรค์มีความชั่วไม่ถึงขั้นลงนรกหรืออบายภูมิม อ, อื่นๆด้วยเหตุที่เป็นมาอย่างนี้มนุษย์จึงหาคนดีพร้อมได้ยากและหาคนชั่วพร้อมก็ยากเหมือนกันมักจะเห็นแต่ดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยคนที่สันดานยังหยาบอยู่เป็นคนเลวได้ง่ายเป็นคนดีได้ยากนั้น อาจมาจากนรกหรืออบายภูมิหรือภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นกําเนิดสัตว์ริย์ฉานเป็นต้นคนที่อุปนิสัยดีประณีตเป็นคนดีใจง่ายเป็นคนเร็วได้ยากนั้นน่าจะมาจากสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือมาจากมนุษย์อันได้รับการอบรมขัดเกลามาดีแล้วมนุษย์เราไม่ควรประมาทควรขัดเกลว์อัธยาศัยไปเรื่อยๆอุปนิสัยจะประณีตขึ้นมีวาสนาดีทําอะไรสําเร็จได้เร็ว มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้มากและมีความสุขมากตรงกันข้ามคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ควบคุมเลยคล้ายสัตว์เดรัจฉานนั้นพบหน้าของเขาก็ต้องเหมาะสมแก่กรรมของเขาเหมือนกันคืออาจไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อให้เหมาะแก่ความโน้มเอียงส่วนผู้ปรินิพานนั้นเพราะมีความโน้มในความดับกิเลสอย่างเต็มที่ ตัดกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดในภพหรือภูมิต่างๆได้หมดสิน้นไม่มีกรรมอันเหมาะสมที่จะเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งหมดความอาลัยในกามและในภพทั้งปวงจึงข้ามขึ้นจากความเป็นเช่นนั้นวงเล็บโลกุตระพระาศาสดาตัดเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เฉตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบรพระติสสะผู้คุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้ พระติดสัตเธระคุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมาเป็นเวลาถึงสิบสองปีได้รับนิมนต์มาฉันที่บ้านเป็นประจำสองสามีภรยาแห่งสกุลนั้นอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาของท่านติดสะวันหนึ่งนายช่างแก้วกําลังนั่งหันเนื้ออยู่เบื้องหน้าพระเถระพระเจ้าประเศสนที่โกศลให้ราชบุรุษนาแก้วมณีดวงหนึ่งไปให้นายช่างแก้วเจรไย นายช่างแก้วรับแก้วไว้ทั้งทั้งที่ทมื อ, อยังเปื้อนเลือดอยู่วางไว้บนเขียงแล้วเข้าไปล้างมือในเรือนในเรือนนายช่างแก้วมีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งนกได้กลืนแก้วมณนีเข้าไปด้วยเข้าใจว่าเป็นก้อนเนือ้อพระเถระเห็นอยู่ในขณะที่นกกระเรียนกลืนแก้วมณีนั้นนายช่างแก้วกลับออกมาเมื่อไม่เห็นแก้วจึงถามภรรยาธิดาและบุตรโดยลำดับแต่ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจึงตอบปฏิเสธกันทุกคนนายช่างแก้วจึงปรึกษาภรรยาว่าเห็นทีพระเถระจะเอาแก้วมณีเป็นแน่แท้เพราะในที่นี้ไม่มีใครอื่นเลยฝ่ายภรรยาพูดกับนายช่างแก้วว่าอย่าได้คิดสงสัยในพระเถระเพราะตั้งแต่ท่านคุ้นเคยกับสกุลมายังไม่เคยเห็นข้อบกพร่องไรๆของท่านเลยจะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่า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 ต้องบีบคั้นเอาคืนมาให้ได้ภรรยาของเขากล่าวว่านายอย่ากให้พวกเราต้องพากันชิบหายเสียเลยการที่พวกเราทั้งหมดต้องเป็นทาสของพระราชาประเสริฐกว่าการใส่ร้ายพระเถระนี้ไม่ดีเลยนายช่างแก้วเถียงว่าแม้พวกเราทั้งหมดจะเป็นทาสก็ยังไม่เท่าค่าของแก้วมณีพูดดังนี้แล้วนายช่างได้เอาเชือกและไม้ มาขันศีรษะของพระเถระให้แน่นเข้าทีละน้อยในตาของท่านถลนออกมาเลือดออกทางจมูกศีรษะและหูของท่านทุกขเวทนาแสนสาหัสได้เกิดขึ้นแล้วท่านล้มลงยังภาคพื้นนกกระเรียนได้กลิ่นเลือดมาเพื่อจะดื่มเลือดนั้นนายช่างแก้วเตะมันตกไปตายทันทีพระเถระเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกนกกระเรียนตายหรือไม่ ท่านก็ต้องตายเหมือนนกนั้นนายช่างแก้วพูดเมื่อพระเถระรู้ว่านกตายแล้วจึงกล่าวว่าอุบาสกนกนั้นได้กลืดแก้วมณีเข้าไปถ้านกนั้นยังไม่ตายแม้อาตมาจะต้องตายก็หาบอกไม่นายช่างแก้วแวะท้องนกนั้นเห็นแก้วมณีเข้าตกใจกลัวมากตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเศร้าสลดใจหมอบลงแทบเท้าพระเถระพรางกล่าวว่า ขอพระคุณเจ้าจงอดโทษแก่ข้าพาเจ้าด้วยเถิดข้าพาเจ้าทำไปเพราะไม่รู้อุบาสกโทษของท่านหาหมีไม่แม้โทษของอาตมาก็ไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของวัตตะอาตมาอดโทษให้ท่านพระคุณเจ้าหากท่านอดโทษให้ข้าพาเจ้าจริงขอได้โปรดมานั่งรับภิกษาในเรือนของข้าพาเจ้าดังเดิมพระเถระกล่าวว่าอุบาสก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของการเข้าสู่สกุลโดยตรงอาตมาจะไม่เข้าสู่ชายคาเรือนของใครอีกเมื่อแสวงหาภิกษาก็จะยืนอยู่ที่ประตูเรือนเท่านั้นดังนี้แล้วท่านได้สมทานทุ ด, ดงว่าปัจจติมุนิโนพัตตังโทกังโทกังกุเลกุเลปันดิกายจริษามิอัติสังฆะพัทลังมะมะ อาหารที่เขาหงไว้เพื่อมุนีตระกูลละเล็กตระกูลละน้อยมีอยู่หากกำลังแข้งของเรามีอยู่เราจะแสวงหาอาหารด้วยปรีแข้งนั้นพระเถระปรินิพานในเวลาไม่นานนักเพราะทุกขเวทนานั้นนกกรเรียนตายแล้วถือปฏิสนธิในท้องของภรรยาแห่งนายช่างแก้วนายช่างแก้วเกิดในนรกส่วนภรรยาของนายช่างแก้วเกิดในสวรรค์เพราะมีจิตอ่อนโยนในพระเถระ เมื่อภิกษุทั้งหลายทูล ถ, ถามถึงอภิสัมปรายพของคนและสัตว์เหล่านั้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกเกิดในขันบางพวกทำบาปเกิดในนรกบางพวกทำกรรมดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานมีนัยยะดังพนานนามาแล้วแต่ต้นนั่นแหล ข้อที่11ไม่มีที่ลบบาปองค์มหมาย ว, ามว่าบาปนี้จะหลบไปอยู่ที่ไหนนี่ก็หลบไม่พ้นจนึงเรียกว่าไม่มีที่ลบพูะตัเจ้าพระองค์ตรัสว่าณอันตลิเเคณสมุทธรรมเชนปปปปตานังวิวะรังปวิสสะณวิชตีโสชัคะติปเทโส ยัตระตะิโตมุนเจยะปาปรกรรมมาเป็นภาษาพระพุทธเจ้านี่เราก็ฟังไปรู้เรื่องเหมือนกันเนี่ย เ, เมื่อแปลเป็นภาษาของเราแล้วก็เรียกว่าคนที่ทําบาปไว้จะหนีไปอยู่กลางอากาศก็ตามกลางมหาสมุทรก็ตามหรือจะเข้าไปอยู่ในช่องภูเขาก็ตามก็ย่อมไม่พ้นจากการให้ผลของบาป ประเทศที่เขาไปอยู่แล้วพ้นจากบาปนั้นไม่มีดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่ต้นว่าบาปกรรมเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดสมเด็จพระปรมมาสสาจึงตรัสว่านัติกรรมะสมังพลังนไม่มีกําลังใดที่จะเสมอด้วยกําลังกรรมเนี่ย เมื่อถึงคราวกรรมจะให้ผลไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมไม่มีกําลังใดที่จะต้านทานได้แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่านีังนั้นจะหนีไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้น่เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ขอเสนอกรรมสิบสองมาพิจารณาก่อน เรื่องกรรมนี้ต้องฟังด้วยสมาธิหน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างสลับซับซ้อนเหมือนกันจัดตามการที่ให้ผลในกรรมส2บสองการที่ให้ผลสี่หนึ่งัทิฏฐ ธ, ธรรมะเวทียกรรมกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบันนคือให้ผลในชาตินี้ผลชาตินี้ไปแล้วไม่ให้ผลเนี่ย ตัวอย่างเช่นคนทํากรรมบางอย่างเมื่อได้รับความทุกข์ทรมานทางกายทางใจเพียงเล็กน้อยในชีวิตนี้แล้วก็เป็นอันหมดกันไม่ตามไปให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปกรณีดังกล่าวนี้พึงเห็นตัวอย่างคนที่มีความดีมีความชั่วเพียงเล็กน้อยหากคนชั่วมากทําความชั่วอย่างเดียวกันกรรมชั่วนั้นย่อมพาเข้าไปนะรกได้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 ปุปเวันียกรรมได้เมื่อตามไปให้ผลในชาติหน้าเปรียบเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเขาถูกเรียกชื่อตามหน้าที่นั้นๆในที่นั้นๆสองอัปราประเวทนียกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติต่อไปไม่มีกำหนดสบโอกาสเมื่อไรให้ผลเหมือนนั้น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 คือกรรมดีกรรมชั่วจะให้ผลมีเงามาให้เห็นก่อนในความฝันคนฉลาดจึงมันสังสมกรรมดีไว้เสมอเพื่อให้กําลังแก่เนื้อให้มีกําลังวิ่งได้ไกลเพื่อให้สุนัขคือกรรมชั่วตามไม่ทันสิ่งที่เราเรียกกันว่าเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นครั้งคราวนั้นก็ถือเป็นอิทธิพลของกรรมชนิดนี้เอง 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลอาจเป็นเพราะคอยนานเกินไปไม่ได้โอกาสให้ผลจนหมดอายุไปเองหรืออีกไนยหนึ่งให้ผลจนเพียงพอแล้วหมดกําลังลงไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปกรรมชนิดนี้ท่านเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เก่าเกินไปหมดคุณภาพหมดอายุหรือเหมือนยาแก้โรคที่เก็บไว้นานเกินไปไม่มีประสิทธิภาพในการบําบัดโรคอีก จะตามหน้าที่ 1. ชนกกรรมกรรมที่ก่อกําเนิดส่งให้เกิดในภพต่างๆอาจเป็นกําเนิดดีหรือกําเนิดเลวกรรมนี้เปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กําเนิดทารกบุคคลจะเกิดในที่ดีหรือชั่วก็ด้วยอานุภาพของกรรมนี้พอให้เกิดแล้วก็หมดหน้าที่ของตน 2. อุปธรมภกกรรมกรรมผู้ช่วยเหลือวงเล็บคืออุปธรรม กรรมนี้เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมถ้าได้กาเนิดดีกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นถ้าได้กาเนิดชั่วกรรมนี้จะช่วยไปในทางชั่วรวมความว่าเหมือนพี่เลี้ยงดีและชั่วตัวอย่างบุคคลบางคนมีกาเนิดมาดีแล้วในชาตินี้ก็ทาดีต่อไปกรรมดีของเขาในปัจจุบันนั้นเป็นอุปถัมภกะกรรมช่วยสนับสนุนให้เขาดียิ่งยิ่งขึ้นไป ส่วนบางคนเกิดมาในกำเนิดไม่ดีเพราะชนกกรรมไม่ดีมาในชาตินี้ทำความไม่ดีซ้ำเข้าไปอีกกรรมในปัจจุบันของเขาเป็นอุปธรรมพร ก, กรรมหรืออุปธรรมพกส่งเสริมให้เขาตกต่ำหนักเข้าสามอุปีละกระกรรมกรรมบีบคั้นนี่ก็เหมือนกันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตรงกันข้ามกับกรรมประการที่สองตัวอย่าง คนเกิดมาดีเพราะชนกกรรมดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วทําแต่ความชั่วกรรมชั่วจะกดบุคคล น, นั้นให้ต่ําลงกรรมนั้นเรียกอุป ป, รปีรักกรรมบางคนได้กําเนิดไม่ดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีความพยายามดีหมั่นสั่งสมกรรมดีกรรมดีของเขานั้นจะบีบคั้นความไม่ดีเก่าให้หมดไปกรรมใหม่ที่ดีของเขาโผล่เด่นขึ้นมา 4. นะ อุปฆ า, าตกรรมหรืออุปเฉทกกรรมกรรมตัดรอนอันนี้เป็นกรรมหนักตัดรอนได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตัวอย่างทางฝ่ายชั่วเช่นอนันตริยกรรม5าคือการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหรันทร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อและการทำสงฆ์ให้แตกจากกันบุคคลทำกรรมนี้แล้วย่อมหมดโอกาสบรรลุมรรคผลในชาตินี้ และเป็นอันแน่นอนว่าความดีอย่างอื่นไม่อาจคุ้มครองได้เขาจะต้องตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยตัวอย่างฝ่ายดีเช่นผู้ได้ฌานสมาบัติซึ่งถือว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายบุคคลตราบใดที่ฌานยังไม่เสื่อมความชั่วอย่างอื่นไม่อาจทำลายเขาได้ฌานนกกรรมนั้นตัดรอนวิบากแห่งอกุศลอื่นเสียสิ้นหากฌานไม่เสื่อมเขาจะต้องไปพรหมโลกอย่างแน่นอน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 ที่กลับเป็นเศรษฐีหรือเศรษฐีกลับเป็นคนยากจนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอุปคาตรกมจัดตามแรงหนักเบาสี่หนึ่งครุกรรมกรรมหนักฝ่ายชั่วคืออนันตริยกรรมมีค่ามารดาเป็นต้นดังกล่าวแล้วฝ่ายดีคือมหัคคตะกุศ ล, ลจิตได้แก่ฌานอภิญญาหรืออรหัตตมรรคและผล 2. อ, อาจินนกรรมกรรมที่ทําจนเคยชินคือทําเสมอๆทํามากทําเป็นประจำเรียกพระหุระกรรมก็มีกรรมนี้เมื่อให้ผลย่อมให้ผลยาวนานยืดเยื้อทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีกรรมนี้มักก่อให้เกิดเป็นชนกกรรมในส่วนหน้าที่แต่มีข้อยกเว้นคือไม่แน่เสมอไป กรรมนี้เองที่มักกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยหรือวาสนาของคนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า A m e n s second nature การกระทาบ่อยกลายเป็นความเคยชินจนเป็นลักษณะประจำของบุคคลผู้นั้นอุปนิสัยของมนุษย์จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับกรรมชนิดนี้ 3. อาสนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนตายกรรมนี้มักให้ผลก่อน เพราะใกล้ปฏิสนธิจิตย่อมหน่วงเหนี่ยวเอากรรมนี้ไว้ในขณะจุติวงเล็บคือเคลื่อนจากพบเก่าคือตายนะและถือเอาพบใหม่คือปฏิสนธิการให้ผลก่อนของกรรมนี้วงเล็บแม้จะมีกําลังน้อยเพราะเป็นกรรมเล็กน้อยท่านเปรียบเหมือนวัวยืนอยู่ปากคอกแม้จะเป็นโคแก่มีกําลังน้อยแต่เมื่อประตูคอกเปิดออกโคนั้นย่อมเดินออกก่อนเพราะอยู่ปากคอก ถ้ามันไม่ออกวัวอื่นๆที่อัดกันแน่นอยู่ในข้อก็จะต้องดันออกมาเพราะตัวอื่นๆก็อยากออกเหมือนกันเปรียบเหมือนรถยนต์ติดไฟแดงก็ได้พอไฟเขียวที่ป้อมไฟเปิดขึ้นรถยนต์คันหน้าย่อมต้องออกไปก่อนแม้จะกำลังน้อยก็ตามกรรมนี้มีกำลังเพลาเมื่อให้ผลแล้วก็มักจะหมดกาลังกรรมอื่นที่มีกำลังกว่าวิ่งออกหน้ากรรมที่มีกาลังสม่าเสมอคืออาจินนกรรม หมายถึงกรรมที่มีกำลังสม่ำเสมอคืออาจินตกรรมก่อนตายท่านจึงสอนให้ระลึกถึงกรรมดีเพื่อจิตจะได้หน่วงเอาความดีไว้จกได้ปฏิสนธิในกาเนิดดีอย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งถ้าจิตไปหน่วงเหนี่ยวเอากรรมชั่วไวย้ย่อมต้องปฏิสนธิในกาเนิดชั่ว 4. กตตากรรมหรือกาตตา ว่าปณักรรมกรรมศักแต่ว่าธรรมท่านหมายถึงกรรมที่ทําโดยไม่ได้เจตนาหรือไม่มีเจตนากรรมนี้มีผลเบาที่สุดจะให้ผลก็ต่อเมื่อกรรมอื่นๆไม่มีกําลังจะให้ผลอีกแล้วที่จัดกรรมนี้เข้าเป็นกรรมอย่างหนึ่งด้วยก็เพราะการกระทําโดยไม่เจตนาบางอย่างมีผลเป็นทุกข์และสุขแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันเช่นโยนก้อนหินไปโดยไม่เจตนา จะให้ถูกใครแต่เมื่อไปถูกใครเข้าคนนั้นไม่พ้นเจ็บกรรมสิบสองแบ่งเป็นสามหมวดมีข้อความโดยย่อดังพรนานามานี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านพิจารณาและคงจะมองเห็นว่าชีวิตของคนเราจะดีชั่วสุขทุกข์ก็ไม่พ้นกรรมชีวิตทั้งชีวิตมีกรรมชักใหญ่อยู่โดยตลอดเนื่องจากกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากผู้มีญาณ น, น้อยยากที่จะมองเห็นโดยตลอด มักจะติดขัดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งทางที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนคืนคิดเองอาจจะเป็นบ้าได้เพราะท่านว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องไม่ควรคิดอย่างหนึ่งญาณของคนธรรมดาไม่อาจมองข้ามพบข้ามชาติไปได้ระยะที่มองเห็นก็สั้นเกินไปชีวิตเพียงชาติเดียวของมนุษย์ก็สั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมโดยตลอดได้ เหมือนดูหนังหรือละครเพียงตอนเดียวทำให้พิศวงเป็นกําลังเพราะรู้เรื่องไม่ตลอดที่ท่านผู้รู้เรื่องตลอดบอกไว้บางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่ อ, บ า, าอบางท่านก็เชื่อครึ่งเดียวประโยชน์การศึกษาเรื่องกรรมการศึกษาเรื่องกรรมโดยละเอียดนั้นอย่างน้อยที่สุดทำให้เราไม่ยอมตนให้อยู่ภายใต้อานาจของความผิดหวัง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 เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาภาษาถะของทายกผู้ถวายขณะที่ชาวบ้านนั่งฟังธรรมอยู่นั่นเองไฟจากเตาไฟของหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นติดชายคาสเวียนห ญ, ญ, ญา้าสเวียนห ญ, ญา้าบอกว่ายังไม่เคยพบคำอธิบายว่าหมายถึงอะไรแต่เข้าใจว่าเป็นหญ้าแห้งที่เขาขดเป็นวงกลมเพื่อทาที่รองหม้อข้าวหม้อแกงเมื่อยังไม่ใช้ก็เน็บไว้ตามชายฝาและชายคา เสเวียนยาอันหนึ่งถูกไฟไหม้และลมพัดปลิวขึ้นจากชายคาลอยอยู่ในอากาศขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาสอดคอเข้าไปในเสเวียนย้าเกลียวย่าพันคอไม่ตกลงมากลางบ้านภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วคิดว่ากรรมนี้หนักหนอเสเวียนย้าลอยขึ้นไปพันคอกาในอากาศไม่แล้วตกลงมาเว้นพระาศาสดาเสียแล้วใครเล่าจะรู้กรรมที่กานี้เคยทำแล้ว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 สลากไปตกอยู่แก่ภรรยานายเรือซึ่งยังสาวสวยและอายุอย่างน้อยคนทั้งหลายต้องการเอาใจในายเรือจึงให้จับสลากใหม่สลากไปตกแก่ภรรยานายเรือถึงสามครั้งพวกลูกเรือและคนโดยสารมองหน้านายเรือเหมือนจะถามว่าจะเอาอย่างไรกันนายนายเรือตรองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้คนทั้งปวงพิรุลงเพราะคนคนเดียว ข้าพเจ้าจึงสละหญิงนี้ขอท่านทั้งหลายจงทิ้งเธอลงในมหาสมุทรเสียเถิดคนทั้งหลายจับหญิงนั้นเพื่อโยนลงน้ำเธอผู้ถูกอันมรณะภัยคุกคามแล้วร้องให้ขอความช่วยเหลือนายเรือสั่งลูกเรือว่าจงเปลื้องอาพรของเธอออกเสียก่อนใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาผ้าเก่าๆให้เธอนุ่งอันหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่อาจเห็นความทรมานของเธอบนผิวน้ำได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเอาหม้อทรายผูกเชือกเข้าแล้วผูกติดกับคอของเธอเพื่อจะได้จมลงไปทีเดียวจงทำอย่างให้ข้าพเจ้าเห็นลูกเรือได้ทำตามนั้นนางนั้นได้กลายเป็นเหยื่อของปลาแล้วเรือได้แล่นไปอย่างปกติ ภิกษุทั้งหลายเห็นเรื่องนี้แล้วคิดว่ายกเว้นพระาศาสดาเสียใครเล่าจาักรู้อดีตกรรมของหญิงนี้เราจะทูลถามความเรื่องนี้กับพระาศาสดาที่เมืองสาวัตถีภิกษุอีก7รูปไปจากชนบทมุ่งหน้าสู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีเ พ, พื่อเฝ้าพระาศาสดาเดินทางมาข้าลงณที่แห่งหนึ่งเข้าไปขออาศัยวัดแห่งหนึ่งเพื่อพักนอนใกล้วัดมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งมีเตียงเจเตียงภิกษุ เจ้าของถิ่นจัดให้พักในถ้ำนั้นตอนกลางคืนหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาปิดปากถ้าภิกษุเหล่านั้นออกไม่ได้พวกภิกษุเจ้าของถิ่นช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุเจ้าของถิ่นประกาศให้ชาวบ้านถึงเจ็ดตำบลรอบๆนั้นมาช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุเจดรูปนั้นติดอยู่ในถ้ำเจ็ดวันถูกไฟคือความหิวแผดเผาอย่างหนักได้รับทุกขเวทนากล้าเกือบจะหมดอาลัยในชีวิต พอวันที่เจ็ดหินก้อนนั้นก็เคลื่อนย้ายออกไปเองพวกภิกษุออกจากถ้ำไปคิดว่าบาปกรรมของพวกเรนี้เว้นพระศาสดาเสียแล้วใครเล่าจะรู้พวกเราจะทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วมุ่งหน้าไปเมืองสาวัตถีพิษุเหล่านั้นทั้งสามพวกมาพบกันในระหว่างทางรู้ความผสมของกันและกันแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงข้อข้องใจของตนตามลาดับดังต่อไปนี้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 เป็นพาหะของพระเจ้าแต่เท่าที่ข้าพระเจ้าได้เห็นมาคนอินเดียใช้สศรัทธารุณเละเกินทั้งวัวม้าและลาใช้งานหนักมากบางตัวลม้มลงขณะที่ลากเกวียนอยู่เพราะหนักและเหนื่อยเลิเกินจนทนไม่ไหวถึงกันนั้นเจ้าของก็ยังตีให้เดินต่อไปบางตัวลากเกวียนจนหนังคอเปื่อยไปหมดอย่าพูดเพียงสัตว์เลยแม้คนชั้นกรรมกรก็ทำงานหนักเกินไปอันนี้ ผูเขียนอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าของก็เลยโกรธมากกล่าวว่าต่อไปนี้มึงจงนอนให้สบายเถอะดังนี้แล้วเผาโคนั้นทั้งเป็นโคถูกไฟครอกตายในที่นั้นชาวนาผู้นั้นเกิดในนรกนานขึ้นจากนรกมาเกิดเป็นกาถูกไฟครอกตายเจ็ดครั้งแล้วด้วยเศษกรรมที่เหลือ 2. กรรมเก่าของภรรยานายเรือ ในอดีตการภรรยาในเรือเป็นบุตรีของเครหบดีหรือขะหะบดีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีนางทำงานทุกอย่างด้วยตนเองเช่นตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นนางเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันรักนางมากนั่งดูนางทากิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่เคยห่างเลยเมื่อนางทำอาหารไปให้สามีที่นาหรือไปเก็บผักสุนัขจะตามไปด้วยทุกขนทุกแห่ง จนพวกหนุ่มๆล้อกันว่าแน่พ่อเว้ยพรานสุนักออกแล้ววันนี้พวกเราต้องได้กินข้าวกับเนื้อเป็นแน่หลายครั้งเข้านางขววยเขินเพราะคำพูดของคนเหล่านั้นจึงเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ตีให้มันจากไปมันไปได้หน่อยหนึ่งก็หวนกลับมาหานางอีกทราบว่าในชาติที่สนับจากชาติปัจจุบันไปสุนันั้นเคยเป็นสามีของนาง มันจึงไม่อาจาตัดความรักได้จริงอยู่บุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรอันกำหนดได้ยากนี้คนที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยา ก, กันนั้นย่อมไม่มีคือไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยา ก, กันอย่างไรก็ตามคนที่เป็นญาติกันในชาติที่ใกล้ย่อมมีความรักอันแน่นแฟนกว่าด้วยเหตุนี้สุนัขนั้นจึงไม่อาจาตัดความรักในนางได้ วันหนึ่งนางเอาอาหารไปให้สามีที่นาเอาเชือกไปด้วยเมื่อให้อาหารแก่สามีแล้วเอากระออมเปล่าไปยังท่าน้ําแห่งหนึ่งเอาทรายใส่จนเต็มแล้วเอาปลายเชือกผูกเข้ากับปากหม้อเรียกสุนัขเข้ามาใกล้มันดีใจว่านานและเกินแล้วไม่เคยได้ยินเสียงอันแสดงความปราณีอย่างนี้จากนายของมันเลยจึงกระดิกหางเข้าไปหาอย่างมีความสุข นางเอาปลายเชือกข้างหนึ่งผูกคอหมาแล้วผลักกระออมลงน้ำสุนัขนั้นก็ถูกดึงลงน้ำมันก็เลยจมน้ำตายด้วยกรรมนี้นางไม่อยู่ในนรกนานเพราะเศษกรรมที่เหลือจึงถูกถ่วงน้ำด้วยหม้อายมาถึงร้อยชาติแล้วกรรมเก่าของภิกษุเจ็ดรูป ในอดีตการเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนในเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละเจ็ดวันใกล้ดงแห่งหนึ่งวันหนึ่งพวกเขาได้พบเฮี่ยใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งพบในบริเวณนั้นจึงชวนกันไล่ตามเฮียวิ่งหนีเข้ารูในจอมปลวกพวกเด็กคิดว่าจะจับพรุ่งนี้จึงช่วยกันเอาใบไม้อุดรูทั้งเจ็ดรูแล้วจากไปวันรุ่งขึ้นเด็กนั้นไปเลี้ยงบัวเสียที่อื่นลืมเสียสนิทว่าอุดรูเฮียวไว พอวันที่เจ็ดจึงกลับมาที่เดิมอีกจึงนึกได้ช่วยกันเอาใบไม้ออกเฮียอดอาหารอดน้ําเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกคลานต้มเตี้ยมออกมาพวกเด็กรู้สึกสงสารจึงไม่ได้ทำร้ายมันปล่อยมันไปเด็กพวกนั้นไม่ได้ไหมในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าเฮียแต่ได้ถูกขังครั้งละเจ็ดวันอดข้าวอดน้ามาแล้ว14ชาติเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนนั้นคือภิกษุเจ็ดรูปที่มาติดอยู่ในถ้านั่นเอง ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าสถานที่ที่พ้นจากกรรมไม่มีหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั่นแหละภิกษุทั้งหลายบรรดาที่ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้นไม่มีที่ใดเลยที่จะหลบผลของกรรมได้ดังนี้แล้วได้ตัดพระคาถาว่าณอันตลิเคนะสมุทธรรมชเชเป็นอาธิดังมีดยะที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละกรรมก็มีผลของกรรมกันน บางทีระลึลกไม่ได้ยังธรรมกถาสาายสมันเตหิสันลักเกตาปาติ ขอคิดเยอะอยู่มันกันเนาะนี่เขาเรียกว่าธรรมบทบทแทงธรรมที่ประกอบด้วยอุกราธิฐานและธรรมมาธิฐานไปพร้อมๆกันในส่วนธรรมที่เป็นภาษาดังเดิมที่พระองค์ทรงตัดไว้นี่ก็คงไว้เป็นภาษาบาลี ซึ่งก็มีแปลงให้เราได้เข้าใจนี่เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดนี่ก็เลยมีปุกลาธิฐานนี่คือเมนิฐานประกอบอย่างในยุคของเราสมัยของเราเนี่ยสติปัญญาก็คงจะไม่มากนี่่ถ้าจะเอาทำล้วนๆบางทีก็ไม่ไหวรับไม่ไหว ปวดหัวว่างั้นเด้อทำก็ปวดหัวได้นะรับมันมากเมื่อไม่เข้าใจคิดเท่าไหร่ไม่เข้าใจก็ปวดหัวได้เหมือนกัน <c oughs> โอ้ <c oughs> เคยศึกษาใหม่ๆมาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยมาอ่านเรื่องทิฏฐิโอ้ปวดหัวเลยทิฏฐิมันสับสนนะนะเราก็ไม่มีพื้นฐานนอ่านแล้วโอ้ยไม่ไหวเลยนื่องว่าปฏิบัติธรรมจะปลอดโปร่งโล่งกลับหนักเข้าไปอีกนี่ มึนเลยมึนเลิกไม่เอาดีกว่าข้อนี้ข้ามไปดีกว่าเนี่ยตอนแรกก็อยากจะรู้อยากเข้าใจเนี่ยอยากจะลองของยากๆนะโอยไปมันไม่ไหวเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปอ่านในส่วนที่มีปุกลาธิฐานประกอบมันเหมาะกับจริตนิสัยของเราเนยโดยเพาะในยุคนี้เนี่ยเนี่ยเป็น เรื่องประกอบนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างน่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หลงไหลไปตามตัวละครทั้งหมดนี่ดูแล้วก็รู้จักพินิพิจารณาเนี่ยคิดเอาหัวข้อรมที่ควรน้อมนำไปสู่การปฏิบัติเนเพื่อให้เกิดทิฏฐุชุกกรรมที่เราได้ฟังในเรื่องการทำบุญในบุญกิยาวัตถุน ในข้อสุดท้ายที่ว่าทิฏฐุชุ ก, กรรมทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่ให้ทําความเห็นให้ถูกต้องให้ตรงการศึกษาจะเป็นศึกษาแบบไหนก็ตามก็เพื่อให้รู้จักดีรู้จักชั่วแล้วก็เพื่อทําความเห็นให้ถูกต้องจึงเรียกว่าเป็น ทิฏฐุชุกรรมบุญอะไรก็สู้การทำความเห็นให้ถูกให้ต้องไม่ได้จะทำบุญมากมายขนาดไหนถ้ามีความเห็นผิดอยู่นี่บุญนั้นก็ไม่มีความสำเร็จประโยชน์ได้บางคนให้ทานมากเราเคยได้ยินเขาพูดได้ฟังเนี่ยคนให้ทานไม่ถึงว่าทำประโยชน์ต่อสังคม เป็นรอยล้านพันล้านเขาก็ทำเหมือนกันทำภายนอกก็แสดงถึงจิตใจอยู่บ้างนะแต่ถ้าไม่รู้ทำไม่เห็นคุณค่าของธรรมไม่รู้ความหมายของการให้นี่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ต่อจิตใจเหมือนกันถ้าจิตใจไม่เป็นไปเพื่อละนะเ่ยยังมีอาสวะอยูอ่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย เรื่อบางทีทำให้เกิดความเห็นผิดได้ด้วยเนี่ยดังที่เราได้ฟังมาเนี่ยถ้าเป็นการกระทำมันเข้าใจยากเหมือนกันนะบางคนทำเพื่ออะไรเนี่ยคนจะทำเพื่อทำจริงจริงมันหายากเลยส่วนมากจะทาเพื่อปลารบตนเนี่ยหรือปลารบโลกอย่างที่ท่านว่าเนี่ยบางคนทำถึงต้องประกาศให้คนรับทราบให้คนรู้เนี่ยนั่นก็เรียกว่า ไม่ได้ทําเพื่อลดละแต่ทำเพื่อเพิ่มอาสวะนั่นก็เพราะมีความเห็นไม่ถูกไม่ตรงนั่นเองเนี่ยหรือทาเพื่อเอาหน้าเอาตาไปที่ไหนจะได้หน้าใหญ่หน้าบานหรืก็ได้เรียกว่าปลารบตนหรือให้ตนมีความสุขให้ตนมีความสบายอย่างเดียวหวังประโยชน์ตนเป็นส่วนมากนั่นเลยว่าปลารบตน แต่การปรารบธรรมนี่คนที่จะปรารบธรรมได้ต้องมีความเห็นถูกนี่นั่นจึงเรียกว่าการทําบุญนี้ที่สําคัญที่สุดคือทิฏฐุชุกรรมคือการทําความเห็นให้ถูกให้ต้องให้ตรงนี่ถ้าทางความเห็นให้ถูกต้องได้นี่บุญกิริยาวัตถุทั้งหมดทั้งเก้าข้อนั้นน่ยก็จะมารวมอยู่ในความเห็นถูกนี่คนเราถ้ามีความเห็นถูกแล้วนี่ ทำถูกอะไรถูกเห็นไหมมันก็เป็นมักทันทีเลยเนะี่ยมักสมบูรณ์เลยเนะี่ยมันก็ดีไปหมดฉะนั้นความเห็นมันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องอให้มีความเห็นถูกเนะี่ยการที่จะทําจิตใจให้เกิดความเห็นถูกได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนี่เป็นเรื่องยากพอสมควรเหมือนกันเนี่ยทำไมถึงยาก มันไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเนี่ยถ้าจะเอาใจเนี่ยส่วนมากถ้าเอาใจของเรานี่บางทีใจนี่มันยิ่งเชื่อได้ยากเหมือนกันเนี่ยถ้าจะเอาใจเราเป็นประมาณเนี่ยโอยมันคงจะหาไม่เจอความเห็นถูกความเห็นตรงนี่พอใจเรามันชอบมันไม่ชอบมันไม่รู้เอาอะไรมาเป็นประมาณไม่ได้ปา่าลกรำเอาความอยากของเราเป็นประมาณเนี่ย มันก็หลงไปอีกเ น, นี่เหมือนทน่านอธิบายในเรื่องบาปบุญนะนะใ น, ในที่มาเทศวันนี้กล่าววันนี้จะเป็นเรื่องบาปบุญเยอะเรื่องความดีความชั่ว น, ะนี่บางทีถ้าเราไม่เข้าใจละเอียดนี่มันก็น้อยใจเหมือนกันเนะี่ยทำดีแล้วน้อยใจได้เหมือนกั น, นทำไมทาดีแล้วไม่ได้ดีแล้วก็มีบ่อยด้วยญาติโยมนี่มาถามมา ให้แก้ปัญหาให้ทำไมเขาก็ทําดีอยู่ตลอดเลยทำไมต้องผลได้รับทำไมมันบันทึกเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าศึกษาเหมือนเราได้ศึกษาวันนี้เราจะเกิดความเข้าใจได้มากเลยเนี่เรารู้จักแยกแยะเนี่ยกรรมกรรมทั้งปัจจุบันอดีตเนี่ยอดีตกับปัจจุบันเนี่ยต้องต้องให้เข้าใจเนี่ย กรรมบางอย่างเนี่ยเราทําไว้อดีตเนี่ยนี่มันมาให้ผลปัจจุบันก็มีนี่หมายถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ปัจจุบันอดีตนะบางทีปัจจุบันอดีตมันยังไม่ให้ผลเลยเห็นไหมเรื่องอย่างนี้แหละที่ท่านบอกว่าคนนี้ถ้าไม่มีความเห็นถูกแล้วก็เลยมีความสําคัญผิดไงเมื่อทําชั่วทําบาปบาปเมื่อไม่ให้ผลเนี่ย เขาก็เพลิดเพลินกับการทำบาปเนี่ยโอยไปทำทำไมบุญเนะนี่นี่ไม่เห็นได้อะไรเนี่ยทำบาปขึ้นก็ว่านะทำบาปขึ้นเนี่มันไม่บาปลอกเนี่ยนี่ก็มันได้มันร่ำมันรวยขึ้นมาเนี่ยนี่ที่เราศึกษาเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆเ้ามองไม่เห็นว่าที่เขาได้ดีมีสุขเนี่ยนี่เพราะว่าผลแห่งความดีที่เขาทำไว้ในปางก่อนมันมีอยู่เนี่ย มันตามมาให้แต่ความชั่วที่เขาทำมันยังไม่ให้ผลเขาก็เลยเข้าใจว่าอันนั้นเป็นผลของความชั่วเห็นไหมเมื่อเห็นว่าเป็นผลของความชั่วมันก็มีความเห็นผิดอย่างเต็มที่เลยบุคคลผู้นี้ก็นิยมทำผิดนิยมทำบาปแล้วแนะนำคนอื่นทำด้วยคนทำดีแล้วถ้าใจไม่มั่นคงก็ไปชักส่วนออกมาจากความดี ถ้าไม่มันคงนะไปได้ง่ายเขาชักชวนก็หลงไปได้ง่ายเหมือนกันเนี่นี่ดึงออกมาจากความดีนี่ถ้าเียกว่าเมื่อความดียังไม่ให้ผลนะคนทําดีก็ออคิดว่ามันไม่ได้ดีนะจนกว่ามันให้ผลจริงๆถึงรู้ว่าโอมันจริงๆมันให้ผลแต่มันรอเวลาหน่อยนะี่ยอถึงจะรู้ว่าโอ้ความดีมันก็เป็นความดีเนะี่ยทําดีก็ได้ดีนะี่ย คนชั่วก็เหมือนกันเนี่ยทำบาปเนี่ยตราบใดมันยังไม่ผลก็ก็คิดว่าเอ้ยมันไม่บาปหรอกอนะแต่พอมันไม่ผลปุ๊บนี่ยถึงรู้ทันทีโอ้นี่นี่มันเป็นอย่างนี้เองเนะี่ยเห็นไหมเรื่องอย่างนี้เราจะเห็นอยู่เสมอเนะี่ยมันเกิดความลำบากเกิดความทุกข์ขึ้นมาถึงระลึกได้นะเนี่ยเมื่อทำไปมันไม่รู้เหมือนเมื่อกี้นี่ฟังนิทานเพิ่งจบลงไหน่าสงสารประเทระเนอะท่านก็ มั่นในธรรมจริงๆงยอมเสียสละยอมชีวิตจะตายเพื่อนกตัวเดียวเท่านกกระเรียนตัวเดียวนี่ติดแก้วถ้านกไม่ตายท่านก็ไม่ยอมบอกท่านยอมตายเห็นไนี่นั่นก็ท่านเพื่อความบริสุทธิ์ของท่านนนั่นคือความเห็นถูกไงท่านเห็นถูกของท่านนี่ท่านบอกแล้วแต่แรกท่านไม่ได้เอาไปก็ไม่เชื่อท่านก็พูดจริงพูดบอกแล้วนี่มีความเห็นผิดเข้าไป นี่ในขณะที่ผลมันยังไปปรากฏขึ้นความเห็นผิดมันก็ยุยงให้ทำชั่วเต็มที่เหมือนกันนะจนผลมันปรากฏขึ้นมาความจริงปรากฏขึ้นมาเลยเห็นไหมเดือดร้อนตายนี่เองคือกรรมชั่วกรรมชั่วมันปรากฏทันว่าถ้าความเห็นไม่ถูกต้องความเห็นไม่ตรงนี่มันเห็นผิดได้ง่ายนะี่า ก, การทำความเห็นให้ถูกต้องความเห็นให้ตรงนึน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำบุญก็เหมือนกั น, นการทำบุญถ้าไม่ทำความเนให้ถูกให้ต้องแล้ทำบุญมางทีก็เสียใจภายหลังเนี่ยทำไปแล้วมันก็นึกเสียดายก็มีนี่เพราะไม่ได้เห็นการกระทำนั้นเป็นบุญจริงๆรนี่เพราะการทำบุญเราคิดว่าจะต้องได้สิ่งโน้นสิ่งนี้คืนมาเนี่ยมันไม่เข้าใจเนแต่ถ้าเข้าใจให้ในขณะให้มันก็สบายแล้ว ให้ไปแล้วก็สบายจิตใจตปลอดโปร่งเบาสบายเนะี่ยเมื่อมีความเห็นถูกแล้วมันก็ได้ให้ปุ๊บมันก็ได้ปรับเนะี่ยถ้ามีความเห็นผิดให้แล้วมันก็ยังไม่ได้เนะี่ยถ้ารู้ความหมายเข้าใจจริงๆแล้วการให้การเสียสละมันก็เหมือนการสละกิเลสออกไปเนะี่ยสละได้มากขนาดไหนมันก็ยิ่งเบาขนาดนั้นนะ่สละได้น้อยมันก็เบาน้อยเนี่ยมันเป็นหลักความจริงอย่างนั้น การศึกษาเพื่อให้เกิดความเห็นถูกก็เพื่อป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองการศึกษาเรียนรู้ธรรมะก็เพื่อตัวเราแต่มันเป็นประโยชน์ที่ผลพลอยได้คือคนอื่นคนอื่นเป็นผลพลอยได้จากความดีของเราการกระทำของเราต่างหากการทำดีทำอะไรต่างๆก็เพื่อประโยชน์ตนเพื่อสุข ของตนนะแล้วก็เผื่อแผ่สุขที่ตนได้ตนถึงให้คนอื่นนะแล้วก็เกิดความสุขเพิ่มขึ้นนะนี่ความดีก็เลยมีแต่กำไรนี่ทำไปก็ได้กำไรนะคนที่รู้เข้าใจว่าความดีเป็นความดีนี่นี่เหมือนทันอธิบายนี่มันก็ยิ่งทำดียิ่งพ่อคูนความดีมากขึ้นนะนก็ได้แต่ดีนะ ยิ่งเห็นผลก็ยิ่งมีกําลังใจก็ยิ่งทําความดีมากขึ้นความดีก็เพิ่มขึ้นโดยลําดับนะยิ่งเร่งว่าไงคนชั่วก็เหมือนกันเมื่อเห็นชั่วเป็นดีมันก็เร่งมากขึ้นเหมือนกันความชั่วก็มากขึ้นสุดท้ายก็เป็นมหาโจรผู้ยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนั่นก็การสั่งสมบาปนําทุกมาให้นี่แต่มันมองไม่เห็นว่านําสุขมาให้นี่มันไม่ได้ว่าเป็นบาปเป็นว่าเป็นบุญด้วยหรือว่าเป็นโชคเป็นลาบด้วยนี่ นี่ น, นี่ความเห็นผิดมันเป็นถึงขนาดนั้นะแต่โดยสัจธรรมความจริงมันก็มีผลของมันอยู่ในตัวแนละ้วแต่ว่นจะให้วันนี้หรือพรุ่งนี้เท่านั้นหรือพบนี้พบหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ยแล้วแต่กําลังของมันเนี่ถ้ากําลังมันมากมันก็ให้ผลเร็วนะถ้ากําลังน้อยก็รอเวลาเนี่บางทีไปชาติหน้านัาน่นก็มีนี่บางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ให้ในในวันนี้พรุ่งนี้ถึงให้ก็มี หรืออาจจะหลายวันนั้นถึงให้ก็กได้เหมือนกันนะนี่มันแล้วแต่แล้วแต่น้ำหนักของมันนี่มันก็ถ้าเรามั่นในความดีแล้วการสร้างความดีมันก็จะทำให้เกิดสุขในขณะที่ทำแม้ใครจะพูดอย่างไรก็เกิดความมั่นใจอยู่นั่นแหละไม่ได้เอ็นเอียงไปไหนนี่มั่นคงอยู่ในความดีนี่นี่นี่ดนคือความ เห็นที่ถูกต้องนะเนี่ยจะเการฟังการศึกษาหรือการปฏิบัติเพื่อสร้างความเห็นใี่ถูกต้องนะเมื่อความเห็นที่ถูกต้องมันก็ลงสู่ทางที่ถูกต้องนะไปสู่ทางที่ถูกต้องก็มีความเบาใจสบายใจจุดหมายปลายทางถึงแน่นอนนะถ้าลงสู่ทางที่ถูกต้องนะนี่เหมือนที่ท่านบว่าผู้ตกกระแสแห่งธรรมเป็นเป็นพระโสดาบันเห็นไหมนี่ ท่านไม่ทำบาปแล้วโดยตั้งใจโดยเจตนาเนี่ยเหมือนภรรยาของนายพรานเนี่ยนี่ภิกษุก็อดสงสัยไม่ได้นะภิกษุกพุทุชนก็มีได้เยอะแยะเนี่ ย, เ, ยเรื่องอย่างนี้แม้ปัจจุบันเราก็ยังมีมันไม่มีการสนับสนุนเลยนีนย่ความที่ไม่เข้าใจไม่ละเอียดนะเนี่ยเป็นการสนับสนุนนีแมแล้วพระพจาจาทั้งว่า จิตที่คิดจะฆ่าคิดจะเบียดเบียนมันไม่มีเลยอะ่อะแล้วมันจะบาปตรงไหนเนะเาะเดี๋ยวนี้ก็กล่าวถึงขนาดที่ว่าเรากินปลากินเนื้อก็เท่ากับส่งเสริมมันก็ต้องบาปเอาเป็นขนาดนั้นก็ไม่ได้กินอะไรแล้วเนะเาะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันอยู่เจตนาเนี่ยศีลตอนนี้มันเจตนาได้เจตนาท้งนี้เนี่ย เห็นไหมเขหยิบโน่นหยิบหยิบเครื่องมือให้ถ้าคนธรรมดาก็โอ๊ยก็ส่งเสริมให้ไปฆ่าก็หยิบให้เขาเนี่ยแล้วใครจะไปรู้จิตใจกันนะนี่เขาทำหน้าที่นี่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาพวกคนอยู่ร่วมกันมันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยแต่จิตใจไม่ได้ส่งเสริมสักหน่อยนีย่ไม่ได้ส่งเสริมแต่ทาหน้าที่ทาแล้วก็แล้วไปนี่นจะติดใจไม่ได้สั่งว่า ท่านจกเอาอันนี้ไปฆ่าเอาไปแทงก็ไปอย่างนี้นะเพียงแต่หยิบมาวางไว้เมื่อเขาเลิกไม่ได้ก็ทำหน้าที่ที่ดีมันก็อยู่ด้วยกันได้ไงนี่นี่นั่นเป็นวิธีของภูมีปัญญานะแล้วก็รู้ด้วยอยู่ในตัวเองนั่นแหละไม่หวั่นไหวด้วยพอตกกระแสมั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวนี่ไม่ใครเขาจะว่าอะไรมันก็ไม่ไม่หวั่นไหวนี่ มีความมั่นมั่นคงอยู่แล้วนั่นคือเมื่อมีความเห็นถูกมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปรับสภาพปรับตัวเองเข้าได้ต่อสังคมการอยู่ร่วมกันก็ง่ายขึ้ น, นเป็นผลของการศึกษาธรรมก็ดีอยู่ศึกษาธรรมแม้จะเป็นตำรับตำราเราก็ได้มาจากนี่แหละ มันเป็นคำสอนเนี่ยเราศึกษาเพื่อนำมาปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของเราเนี่ยมศึกษาเพื่อ ย, อย่างอื่ น, นศึกษาให้เกิดความรู้เพิ่มเข้าใจและเกิดความฉลาดเราก็เห็นตัวอย่างที่ท่านอุปมาประปหมยให้เห็นได้ชัดขึ้ น, นทำให้เข้าใจง่ายขึ้น อา้าห้าทุมแล้วเอ า, เอาคุมจะเปลี่ยนริยาบทบัง เ, เดี๋ยวพาไหว้พระ